สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดรียซูหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าตอนอุปมาเกี่ยวกับพระลูกตอนที่สองพระเจนะของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อสามสิบสามถึงสี่สิบหกมัทธิวบทที่ยี่สิเอ็ดข้อสามสิบสามถึงสี่สิบหกโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคำอุปมาเรื่องสวนอังหุนและคนเช่า จงฟังคาอุมาอีกเรื่องหนึ่งว่ายังมีเจ้าของสวนผู้หนึ่งได้ทําสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วไว้รอบเขาได้ขจัด บ, บ่อย่าอําองุ่นในสวนและสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเสียครั้นถึงฤดูผลองุ่นจึงใช้พวกเบาไปหาคนเช่าสวนเพื่อจะรับผลของเขาแต่คนเช่าสวนนั้นจับคนของเขาเขี่ยนตีเสียคนหนึ่งฆ่าเสียคนหนึ่ง เอาหินคว่างเสียให้ตายคนหนึ่งอีกครั้งหนึง่งเขาก็ใช้เบ่าอื่นๆไปมากกว่าครั้งก่อนแต่คนเช่าสวนก็ได้ทําแก่เขาอย่างนั้นอีกครั้งที่ฉุดเขาก็ใช้บุตรของเขาไปหาพูดว่าเขาคงจะเคารพ บ, บุตรของเราแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นญายาช่าเสียเถิดแล้วก็ยึดมรดกของเขาเขาจึงพากันจับบุตรนั้น หลับออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทําอย่างไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั้นเขาทั้งหลายทูลตอบว่าท่านจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายร้ายและจะให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะแบ่งผลให้โดยถูกต้องตามฤดูการต่อไปพระเยซูตรัสกับเขาว่าทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในคัมภีร์หรือว่าซึ่งว่าศีลาซึ่ง ช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหรัศจรรย์ประจักษ์ตาเราเอตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทําให้ผลเจริญสมกับแผ่นดินนั้นขันพวกมหาปุโรหิต ก, กับพวกฟอริสีได้ยินคาเปล่าเปล่านั้นก็อย่างรู้ว่าโรงตรับ เลงถึงพวกเขาเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเดู น, นะครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของบุตรสองคนนะครับบุตรคนแรกบอกว่าไม่ไปแต่ตอหลังกลับใจไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเราเองนั้งเราเองปฏิเสธพระเจ้าแต่แรกนะครับแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดใจของเรา เราได้หงายชีวิตของเราขึ้นเพื่อรับพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของเราก็ได้รับความปลอดได้รับพระคุณของพระเจ้านะครับก็ต่อเมื่อเรากลับใจใหม่กลับฌามของเรานะครับผมเคยพูดไปแล้วแล้ววันนี้เป็นอุปมาอุปมาเรื่องที่สองเกี่ยวกับลูกครับก็คือคาอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าเจ้าของสวนนั้นได้ปลูกอ ง, งุ่นไว้ในสวนก็ล้อมรั้วไว้รอบครับแล้วก็สกัด บ, บ่อย่างย่ําอ ง, งุ่น สมัยก่อนนะครับการย่ําองุ่นเพื่อที่จะทําไวน์นะครับจะต้องย่ํานะครับให้องุ่นมันแตกออกและผสมผสานกันนะครับการทําสวนองุ่นนั้นต้องสร้างหอเฝ้าครับหรือว่าสร้างหอคอยไว้นะครับหมายความว่าจะต้องมีคนยามนะครับดูแลป้องกันขโมยป้องกันสักล้ายต่างๆที่เข้ามาพี่น้องครับแล้วจะเห็นนะครับว่ารั้วนะครับในที่นี้เนี่ย เป็นต้นไม้ที่มีหนามปลูกไว้เป็นพุ่มหนาๆครับป้องกันสัตว์และขโมยอย่างได้ผลเพราะว่ากว่าเขาจะแทรกรั้วซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีหนามนะครับหนามในอิสราเอลนี่เป็นหนามยาวนะครับบางพืชบางชนิดมีหนามยาวเป็นฟุตเลยทีเดียวนะครับรั้วเหล่าเนี้สามารถป้องกันสัตว์ต่างๆได้พี่ร้องครับคนงานที่เฝ้าหอตอนกลางคืนนั้นมักจะนอนชั้นล่างนะครับ คนที่เฝ้าหอมีหน้าที่คอยดูแลสวนให้ปลอดภัยจากพวกขโมยพวกนกพวกสับที่เข้ามาขโมยกินผลอัญมณ์บอย่ําอัญมนนั้นก็จะเป็นอ่างหินกว้างๆตื้นครับกว้างพอที่ให้คนงานเข้าไปยืนข้างในเพื่อย่ํานะครับการย่ําอัญมนนั้นใช้เท้านะครับน้ําอัญมณก็จะไหลออกมาตรงทางออกหรืออ่างที่อยู่ด้านล่างครับและบางครั้งก็ก็จะเก็บเหยือกใ บ, บใหญ่ๆที่หมักเหล้าอัญมนไว้ในหอเฝ้าด้วยเหมือนกันแล้วก็ทยอยหมักกันไว้ครับจนกว่า เลือดูเก็บผลองุ่นจากเก็บจนหมดการพัฒนาสวนองุ่นเป็นงานที่ต้องใช้เวลานานนะครับต้องใช้ความอดทนเพราะว่าปกติแล้วองุ่นหลายะปลูกนะครับกว่าจะออกผลรุ่นแรกเนี่ยก็จะกินเวลาประมาณห้าปีด้วยกันเวลาถึงห้าปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะต้องจ้างคนมาคอยดูแลผลองุ่นและคอยเฝ้าป้องกันสวนองุ่ น, นให้ปลอดภัยครับพระเยซูตรัส ว่าเจ้าของสวนนั้นได้ให้ชาวสวนเช่าอณุนของเขาเช่าสวนอณุนของเขานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทํากันโดยทั่วไปครับปกบติแล้วคนเช่าสวนนีก็จะได้รับส่วนแบ่งของผลิตผลตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับจะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับแบ่งส่วนแบ่งของผลิตผลหรือผลผลิตที่ได้ตกลงกันไว้เจ้าของสวนก็ได้รับผลผลิตส่วนหนึ่งนะครับในข้อสามสิบสี่ครับกล่าวว่าเมื่อถึงที่ดูเก็บเกี่ยวผลอณุน เจ้าของสวนก็ส่งบ่าวหรือท่านะครับไปรับค่าเช่าสวนคนคนเช่าสวนนั้นไม่เพียงแต่ไม่ยอมมอบค่าเช่าให้แถมยังไปยังฆ่าเอาหินข้างบ่าวที่ส่งมาด้วยเจ้าของสวนอยู่เมืองไกลครับเขาส่งบ่ามาอีกล้วลอกหนึ่งก็ทําอย่างเดียวกันถูกทําอย่างเดียวกันในที่สุดเจ้าของส่งตัดสินใจส่งลูกชายของตัวเองมากับลูกชายคนนี้ จะเป็นท า, ศ า, ศาสญาติรับม ร, รดกสวนอ ง, งุ่นนะครับแต่ในที่สุดคนเช่าสวนก็ฆ่าเช้ยพี่น้องครับเจ้าของสวนคือพระเจ้านะครับสวนอ ง, งุ่นคือคนอิสราเอลคนเช่าสวนก็คือผู้นําทางศาสนาที่พระเจ้าทรงมอบหมายความไว้วางใจมอบความรับผิดชอบให้ดูแลประชากรของพระองค์แต่พวกผู้นําศาสนาพวกปุโรหิตพวกผู้โศชาวยิว หรือแม้กระทั่งกษัตริย์ที่ปกครองขาอยู่มานานนับศตวรรษนะครับก็ทําไม่ได้เบาวนะครับโอมานี้หมายถึงพวกผู้เผยพรนะนะครับที่ประกาศข่าสิรของพระเจ้าให้พวกเขานั้นหันกับมหาพระเจ้านับเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับพวกผู้เผยพววจะนะได้รับการปฏิบัติอย่างไรครับก็คือถูกฆ่าถูกข่กขมเหงนะครับเยังมีตัวอย่างผู้เผยพววจะนะ ถูกจับใส่คื่อคาโดยปู้รหิตในพระวิหารคนหนึ่งเยเลมีถูกตีถูกจับขังคุกจับเอริยาก็เหมือนกันครับเอริยาหมดเรี่ยวหมดแรงในขณะที่เขาเผชิญกับผู้เผยวระนะของพระบาอนนะครับผู้เผยวจะนะอีกคนหนึ่งชื่อเซกคารยาครับถูกหินขว้างตายเหล่านี้ครับก็คือเป็นทาสที่เจ้าของสวนนั้นส่งมาเพื่อที่จะเก็บค่าเข้านะครับ คำอุปมานี้พระเยซูกล่าวอ้างถึงประสบการณ์ที่ถูกข่มเหงและการถูกประหัตประหารชีวิตของคนเหล่านี้ของพวกผู้เผยพรชนะนะครับในข้อสามเจ็ดกล่าวว่าเจ้าของสวนองุ่นตัดสินใจส่วนลูกของเขาไปเจ้าของสวนรู้สึกแน่ใจว่าพวกเขาจะเคารพในลูกของเขาในบุตรของเราแต่คนเข้าสวนเหล่านั้นกลับท่าบุตรนั้ น, นโยนเขาออกจากสวนองุ่นพระเยซูถามผู้ฟัง นะครับในข้อ40บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทำอย่างไรแก่คนเช่าสวนเหล่า น, นั้นผู้นำศาสนาตอบว่าเขาจะฆ่าชาวสวนนั้นให้ตายครับและเอาสวนทงหมนให้คนอื่นเช่าต่อไปก็จะได้กําไรอย่างถูกต้องเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเห็นครับตรงนี้ได้พูดถึงนะครับต่อไปพระเยซูยกเชลูดีบทที่118ข้อ22 23ครับบอกว่าศิลาซึ่งทั้งก่อได้ทอดทิ้งเชื้อเป็นกลับกลายเป็น ศิลามุมเอกแล้วการนี้มาจากพระเจ้าเป็นการมระราชจันทร์ประยักษ์ตาเราพี่น้องครับศิลามุมเอกนั้นเป็นก้อนหินที่สําคัญที่สุดในการก่อสร้างเพราะเป็นรากฐานของอาคารถ้าไม่มีก้อนหินนี้นะครับก็จะทําให้อาคารพังนะครับเปรียบเสมือนกับเป็นเสาเอกที่เสาหลักของบ้านนะครับครับอุมา่นี่เป็นเรื่องเปรียบเทียบเราสามารถเปรียบเทียบเจ้าของสวนนะครับก็คือสถาปนิกที่วางแบบอาคาร นะครับก็คือพระเจ้านั่นเองนะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของสวนเป็นสถาปนิกที่วางแบบอาคารบุตรชายของเจ้าสวนนี้เจ้าของสวนนี้ก็คือทาญาทกับก็คือพระเยซูอย่างพระเยซูถูกปฏิเสธและถูกฆ่าตายนะครับยังไงก็ตามครับในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสี่กล่าวว่าทายาทเจ้าของสวนซึ่งหมายถึงพระเยซูนั้นและสิสรางมเอกที่มนุษย์ปฏิเสธนั้นกับกลายเป็นศิลาที่ทรงฆ่าอันดาเฉลิมในสายพันธุ์ของพระเจ้าที่น้องครับ โปรดฟังข้อยันต์ของพระเจ้านะครับหนึ่งเปยตับทที่สองข้อสีจงมหาพระองค์คือพระศีลาที่ส่งชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าตามพระดําริของพระเจ้านั้นเป็นศีลาที่ทรงเลือกไว้และทรงท่าอันประเสริฐเนะครับมัทธิวกล่าวไว้นะครับว่าพวกฟาริสีพวกมหาอุโรหิตได้ยินคําอุมายสองเรื่องนี้ก็อย่างรู้ครับว่าพระเยซูตรัสเล็งถึงพวกเขาเล็งถึงความย่อมแย่ของพวกเขา ถึงจึงไม่เชื่อความของพวกเขาพวกเขาทําไงครับพวกเขาอยากจะจับพระองค์พวกเขาปฏิเสธไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นทายาทและเป็นพระบุตรของพระเจ้าเห็นได้ชัดนะครับว่าความนิยมจากฝูงชนในตัวพระเยซูทําให้พวกเขาไม่กล้าจับพระเยซูในแบบนั้นเพราะเหตุที่เกรงกลัวประชาชนนั่นเองคือครับในคำอุมาเรื่องสวนหงอนและคนเช่านี้ทั้งเราเห็นชัดครับว่าพระเยซูกําลังเปรียบเทียบองค์เองนะครับและให้พวกฟาริสีรู้ว่า พวกเราจะต้องกลับใจใหม่พี่น้องครับพระเจ้านั้นได้ทรงให้โอกาสในการกลับใจใหม่ของเราเสมอนะครับพระเจ้าให้โอกาสเรากลับใจใหม่เสมอกลับเนื้อกลับตัวเสมอเมื่อเรา ท, ทําผิดกทำพลาดนะครับเราอาจจะล่วงละเมิดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเร า, า จ, จะละเว้นไม่ทําสิ่งที่รพระงคทงขอพระทยัยนั้นก็เป็นความบาปเหมือนกันครับเป็นความผิดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจะใช้พวกเราทุกคนนะครับรวมทั้งผมด้วยที่จะสารภาพบาปกลับใจใหม่ แต่พร้อมที่จะเชื่อฝังพระเยซูพร้อมที่จะดูแลผูงแกะของพระเจ้าพร้อมที่จะดูแลสวนองุ่นของพระองค์ที่พระองค์ได้ฝากฝังเราไว้นะครับใครก็ตามที่ยังไม่มีน้องเลี้ยงนะครับใครยังไม่มีที่เลี้ยงก็เดินเข้าไปหาเขาครับถ้าเราถูกใจใครนะครับเรารู้สึกมีภาระใจกับใครนะครับเราก็เดินเข้าไปหาเขาขอให้เป็นเพศเดียวกันหรือถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะสามารถดูแลสุภาพบุรุษ ได้ด้วยเหมือนกันขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้พี่น้องจะมีจิตใจที่จะดูแลสร้างสาวกให้ทำให้น้องเรียนของเราที่จะมีความเชื่อความศรัทธามั่นคงเข้มแข็งขึ้นตลอดไปอาเมน